258อยาำนาจคืออะไรกันแน่ใครมีอำนาจใหญ่ที่สุดสรุปแล้วความเป็นอำนาจหรืออาธิปไตยคืออะไรอำนาจใหญ่ที่สุดในสปปรรพสิ่งคืออะไรใครเป็นเจ้าของอำนาจใหญ่ในความเป็นคนแต่และคนแท้จริงโดยเฉพาะในความเป็นตัวเราอัตา เราเองเป็นเจ้าของอิสระเสรีภาพในตัวเราเองแท้หรืออำนาจสูงสุดที่แต่ละคนพึงมีอย่างอิสระเต็มที่ของตนเองสำหรับตนเองเรามีสิทธิเต็มได้จริงในเมื่อชาวเทพนิยมเชื่อสนิทว่าโลกนั้นพระเจ้าก็เป็นผู้สร้างและมีอำนาจกำหนดทั้งหมด มีอธิปไตยเหนือโลกทั้งหมดจะมีพระประสงค์ให้มีหรือไม่มีให้เป็นหรือไม่เป็นทุกสรรพสิ่งไม่ละเว้นทั้งวัตถุและมนุษย์ทั้งจิตวิญญาณชีวิตหรือตัวตนของตนแต่ละคนอัตราของแต่ละคนซึ่งจะ ก, กำหนดนิยายของตนไปเช่นใดพระเจ้าก็สร้างและมีอำนาจกำหนดทั้งหมด มีอธิปไตยเหนือมนุษย์ทั้งหมดคําว่าตนของแต่ละคนนั้นเป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้กาหนดอาตมาหรืออาตาของคนทุกคนผู้บรรลุธรรมของพุทธเห็นจริงที่สุดและมีภาวะนั้นได้สมบูรณ์อิสระเสรีของตนพระเจ้ามีสิทธิอำนาจเต็มหมดสิน้น พระเจ้าทรงกาหนดอะไรๆ ไ, ได้ทุกสรรพสิ่งนิยายของมนุษย์บางคนมันสุดรันทดมันสุดแสนโหดจริงๆนะพระเจ้าไม่เวทนาไม่สงสารเขาเลยหรือทำไมพระเจ้าทรงสร้างเขาให้หน้าเวทนาหน้าสงสารปานนั้น